วันนี้พวกเราก็เตรียมตั ว, ตวแต่ว่าเตรียมตัวเตรียมใจให้จิตใจของเราอยู่ที่ว่าอยู่กับกายพิจารณาอย่าส่งออกข้างนอกนั่นะถ้าใจของเรามันอยู่กับกายสติอยู่พิจารณาอยู่ภายในนะมันจะที่ว่าแก้ความหลง แก้ความหลงของตัวเองเราหลงหลงอะไรหลงเวียนไหวตายเกิดหลงที่ว่าความหลงตัวนี้ไม่ใช่ว่าหลงมาซาตัดเดียวพบเดียวนี้หลายล้านเที่ยวที่แต่ละคนที่มาหลงในวัดวะบนในวัดตะสงสารท่านว่าเป็นวัดตทุกเป็นวัดตะบนที่เรามาหลงเวียนไหวตายเกิดถ้าเราคิดว่า พระพุทธเจ้าที่ผ่านมาแล้วนี่ท่านตัดสรุมาแล้วสามล้านกว่าองค์นะแต่ละพระองค์เนี่ยบางองค์มาอยู่ที่ว่าถึงแปดอายุแ0ด0มืนปีเจ็ด0มืนปีหก0ม0ปีทำนอง น, นี้ก็ยังว่าสามล้านกว่าองค์ให้พวกเราคิดดูว่าพวกเรานี่เป็นอันที่ว่าอันดับไหนนะเราไม่มีวาสนาหรือว่า พวกเราไม่ได้สนอกสนใจให้เราคิดดูการเวียนว่ายตายเกิดมันก็อยู่ทํานองนี้แหละโลกมนุษย์ในยุค ก, ก่อนๆยุค ก, ก่อนพวกเราไปประชาสนก็มากเหมือนกันไม่ใช่ว่าน้อยนะประมาณ80ปีย้อนหลังเนี่ยประชากรประเทศไทยก็ 20-30 สิล้านแค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นห0สิบ เจ็ดสิบล้านเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ทำลองนี้แหละแต่มันก็เคยมีมากกว่านี้อีกนะแต่มันหลายล้านเที่ยวที่มันเปลี่ยนเป็นป่าดงแล้วก็เตือนโล่งออกเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โลกเราเป็นอยู่แบบนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเพิ่งเตือนโลงเป็นบ้านเป็นเมืองในยุคนี้แค่นั้นมันเป็นมาหลายล้านเที่ยวอันนี้แหละถ้าใครคิดเหนว่า ที่เราหลุดมาถึงขนาดนี้เนี่เราเป็นผู้ประเภทไหนคนที่มีสติปรรัญญาตามพุทธเจ้าไปหมดแล้วพวกเราเนี่เป็นพวกล่าหลังให้คิดว่าตัวเองเป็นประเภทล้าหลังนะพระพุทธเจ้าสาวกของท่านไปตั้งทีละมากมาพระวิปัสสีแบบนี้มีบริวารเป็นว่าสองล้านสามล้านองค์แบบนี้ตามเสด็จไป ถ้าเราอ่านพุทธประวัติอ่านเรื่องเหล่านี้เราก็คิดว่าในยุคพระพุทธเจ้าสมณะโคดมอายุท่านน้อยสาวกท่านก็น้อยนะแต่มันหลายล้านองค์ให้พวกเราคิดดูนั่นแะแต่ที่ท่านเทศแสดงท ร, ร ม, มหาสมัยสูตรพวกเทวดาพวกเท่ามหาพรหมหรือว่าท้าสักกะเทวราชพา บริวารมาฟังเทศนะ์นะได้บรรลุธรรมไปนะเป็นหลายล้านนะท่านบอกว่านับเป็นโกธนะนับเป็นโกธไปเลยนั่นแหละให้พวกเราคิดดูนะอันนี้พวกเราที่เรามาเกิดขึ้นมานี้ที่เรามาเกิดเป็นคนนะเราก็มีโอกาสนะคนก็ต่างกันนะคนก็ต่างระดับกันคนที่ไม่สนอกสนใจถึงเขาจะมีสติปัญญา เขาก็คิดฟุ่งปรุงไปในด้านอื่นเขาไม่ได้สนใจที่จะมาปรับปรุงให้จิตใจเป็นอาถรรพ์ธรรมขึ้นมามันก็เท่าว่าพัฒนาจิตใจของตัวเองไปตามกระแสโลกแต่พวกเราก็ได้เป็นผู้สนใจยังคิดดีอยู่นะพวกเรายังมีโอกาสได้พบได้เจอคำสอนของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาที่เป็น ครูบาอาจารย์มาเป็นลูกศิษย์ของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นะเป็นลูกหลานมาเรื่อยๆในหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มหาบัวมาเรื่อยๆอันนี้แหละพวกเรามีโอกาสควรอย่างยิ่งสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราต้องตั้งสติดูให้เราได้รู้ได้เห็นเอาปัจจุบันนี้อย่าคิดว่าชาติหน้า อ, อนาคตการเบื้องหน้านนท์เท่นั้นอย่าคิดไปทำนองนั้นให้ละาว่าชาตินี่หละเรามีโอกาสเดี๋ยวนี้หละเรามีโอกาสอย่าไปคิดว่าชาติหน้าถ้าเราคิดว่าชาติหน้านี่ป่าถนาความปาราถนาทานทำบุญทำทานอะไรก็ช่างก็ปาราถนาเทวาขอให้เป็นมนุษย์สมบัติทำนองนี้อยากร่ำอยากรวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนที่ว่า มียศเธบรรดาศักดิ์ปฎณาต่ําไปนะถ้าใครปาถนาแบบนั้นอพระพุทธเจ้าท่านให้ปาถนาถึงมรรคผลนิพพานถึงพวกเราจะเป็นญาติโยมอไม่มีโอกาสจะได้บวชก็ขอให้ได้บวชใจวิธีบวชใจวิธีบวชใจหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังาการบวชใจพวกเราไม่ได้บวชกายาญาติโยมบางคนไม่เคยบวช แต่ที่ว่าวิธีบวดใจเนี่ยก็ที่ว่าให้ใจของเราเนี่ยถ้าใครคิดตามตามความอยากของตัวเองไม่เจอเราต้องหยุดคิดถ้าปล่อยอารมณ์ไปตามความอยากของตัวเองเนี่ยมันจะไปตามที่ว่ามันไหลลงไปข้างล่างเหมือนกับน้ำเนี่ยมันไหลไปเรื่อยๆตกทะเลไปเลยนะที่คนจะทวนกระแสเนี่ยมีน้อยอันนี้แหละพวกเราเราคนนึ่งละ่ะ จะต้องได้รู้ได้เห็นสัจธรรมให้คิดให้กําลังใจของตัวเองแบบนี้อย่าไปปล่อยกายปล่อยที่ว่าให้ใจของตัวเองทําตามความอยากของตัวเองประเทศอื่นเขานะ่ะทำตามอยากทําทตามความอยากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีประเทศอื่นๆนะ่ะเขาตามกามจินเกียร์เขาตามแบบนี้พวกฝรั่งพวกอะไรแต่ชาวพุทธพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ทวนกระแสนะ ทวนกระแสโลกความแจ่ความเจ็บความตายอยู่ข้างหน้าที่เราเกิดขึ้นมาแล้วนี่อายุเดียวนี้ปัจจุบันนี้ได้กี่ปีแล้วเนี่ยมันเหลืออีกกี่ปีให้เราคิดดูถ้าใครไม่คิดแบบนี้เราก็ไม่มีโอกาสจะมาคิดที่ว่าสะกิดตัวเองนั่น ะ, ะให้มากระตุกตัวเองให้มันรู้รู้ตัวบ้างคนที่เขาตายก่อนเรานี่ อายุเขาน้อยกว่าเราก็เยอะให้คิดแบบนี้นี่แหล ะ, ะการที่จะเกิดธรรมะธรรมโมขึ้นมาสอนจิตสอนใจของพวกเรามันก็เท่าว่าอาศัยความอยากแต่ในที่สุดเนสละความอยากออกไปไม่ต้องเอาอความอยากก็ไม่เอาแต่อาศัยความอยากก่อนอต้องมีความอยากอยากรู้ทมอยากเขียนรมที่ว่าศรัทธา ศรัทธาคําว่าศรัทธาที่มันจะเกิดจะเป็นขึ้นแจรจิตเจรใจของพวกเรามันไม่ได้เป็นง่ายๆ่าศรัทธาตัวนี้เป็นของที่ว่าเกิดยากะมะเมล็ดข้าวมเมล็ดผักอะไรที่เขาหวานลงในพื้นที่พื้นดินลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอะไร เ, เกิดงอกงามขึ้นมาเร็วๆแต่ศรัทธานี่เกิดยากศรัทธาจะเกิดเพราะอะไร ต้องเพราะที่ว่ามีความเอาอกเอาใจใส่มีเอาความเอาใจใส่เหมือนกับเขาที่ว่าเขาจะทําการงานอะไรเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นคนที่มีความมุ่งมั่นเขาอยากรู้อยากเห็นอยากให้มันสําเร็จทํำลองนี้อันนี้แหละหลวงพ่อจะว่าความอยากความอยากที่ดีมันก็ดีแต่ในที่สุดเนี่ยทาไปทําไปนี่ยสละออกหมดไม่เอาทั้งความอยากนี่ย ให้มันเป็นแบบนั้นใจของเราที่มันยึดติดยึดติดโลกมานี่มันติดอะไรมันติดอยู่ในกรามจินเจียดพวกเราทั้งหลายที่เราเกิดขึ้นมาต่างคนก็ต่างที่ว่าอยากเป็นมหาเศรษฐีอยากเลิศอยากรวยอยากสวยอยากงามกันทุกคนไม่มีใครอยากจะยากจนเขียนใจที้าล่าี่เละไม่มีใครต้องการแต่มันไม่สมหวัง เราเกิดมานี่เราผิดหวังบางคนก็เกิดขึ้นมาพอที่จะรวยมานิดนิดเนี่ยก็ตายก่อนจ้ะเนี่ยมาทำนองนี้คนที่เขาอยู่เบื้องหลังนั่นแหละเขาก็จะเป็นผู้ดูแลทรัพ ส, สมบัติเหล่านั้นต่อไปอีกมาทำนองนี้อันนี้ละ่ะเราเกิดขึ้นมารวยแล้วก็ตายจนแล้วก็ตายเนีเราเกิดเป็นสัตว์เยรสารเนี่ย มันมากกว่าเป็นมนุษย์ถ้าใครคิดแบบนี้ล่ะคิดว่าตัวเองที่ว่าเกิดมาเป็นทาสเกิดมาเป็นทาสแบบที่ว่าเขาลบเขาลบชนะแบบกรุงศรีอยุธยาแบบนั้เขาต้อนไปเขาต้อนคนไทยไปเขาทำลายทำอะไรก็ช่างละ่ะดูเขาเฉยๆนะั่นแหละญาติพี่น้องดูเขาจะทำอย่างไรก็ช่างก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอานาจที่จะไปต่อรองกับเขา อันนี้เหมือนกันอันนี้พวกเราคิดดูว่าทาสบันทาสในสมัยก่อนฝากรัชกาลที่ห้าเลยรัชกาลที่หไปช่วงรัชกาลที่หนึ่งสองสามนะคำว่าทาส ต, ต้องเป็นคนชายไม่มีเงินเดือนอคือคือทาสนั่นแหละอยู่กินแบบอดอยากทำงานให้ว่าร อ, อดลม้มรอดตายไปนะแต่ละวันระวังอันนี้ทาสอันนี้อะไรครัให้เราคิดดูว่า เราเคยเรียนไหว้าตายเกิดมานี่สารพัดที่เราเรียนไหว้าตายเกิดเป็นสัตว์เป็นคนเป็นคนอ่ะประเภทรวยก็เคยเกิดเป็นประเภทจนก็เคยเกิดบ้านเมืองของเรามันก็เป็นอยู่แบบนี้แหล ะ, ะปีแต่ละปีละปีเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแต่ละยุคละสมัยเราเกิดขึ้นมาชาตินี้เขาเปลี่ยนนายกกันกี่ครั้งแล้วปฏิวัติปฏิรูปศึกและ ที่เสกสงครามเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่ากี่เที่ยวมาแล้วให้เราคิดดูอันนี้แหละความผิดหวังอ่าความไม่สมหวังของเรามันเกิดตามมาตามมาทํานองนี้ถ้าเราคิดประเมินทํานองนี้แหละเราจึงจะว่าเออพระพุทธเจ้านะท่านพาสาวกของพระท่านไปละไปตั้งมวกมากแล้วพวกเราเนี่ยมันประเพดประเภทไหนอ่าเป็นคนที่ว่าไม่สรนสนอกสนใจฟังเทศฟังธรรม เราเกิดขึ้นมาเนี่ยหลายล้านเที่ยวแต่ละคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยในช่วงพระพุทธเจ้ามาตรัสลู้แต่ละองค์ละองค์เราก็ปล่อยโอกาสไปเรื่อยๆไม่ได้สนอกสนใจสู้กับทุกขเวทนาสู้มายาของกิเลสตันหาไม่ได้นั่งภาวนาไปโอ้ยเดี๋ยวมันเป็นโรคกระเพาะนะอดข้าวนิดๆหน่อยๆก็กลัวตายเดี๋ยวมันเป็นอมพึก น, นะนั่งนานๆ เดี๋ยวก็เดี๋ยวกันอนกันเถ อ, ะ, อะเดี๋ยวมันจะตื่นสายมันหลอกลวงทำนองนี้มาหลายเที่ยวมาแล้วแต่ละคนะนี่แหละเราติดอยู่ที่นี่แหละเราไม่สล ะ, ะเราไม่สละถ้าสละเป็นสละตายเข้าไปเนี่ยมันจึงจะเกิดที่ว่าเกิดความรู้ความเห็นตัวนี้ก็ว่าอาศัยศรัทธาแต่ศรัทธานี่มันเป็นของเกิดยากหลวงพ่อจึงว่า การที่จะเกิดศรัทธาตัวนี้ของหลวงพ่อหลวงพ่อจะเล่าของหลวงพ่อให้ฟังใช่ปะศรัทธาที่จะเกิดนะช่วงพศ22นะพศยีสองนี่หลวงพ่ออยากศึกแล้วบวชเข้ามาอยากศึกแล้วปรุงแต่งนั่งภาวนานี่ก็คิดเอาลูกสาวเข้ามาอยู่ด้วยมันทํานองนี้นนเดินจงกรมก็เหมือนกันนั่งภาวนาก็เหมือนกันพุทโธนี่คิดได้แป๊บเดียวก็ไปคิดเอาลูกสาวเข้ามาอยู่ด้วย ทำนองนี้แหละมันคิดแบบนี้ถึงจะหมผ้าเหลืองอยู่ก็ะ่างแต่ใจมันคิดนะใจมันปรุงแต่งวันดีคืนดีก็ไ ป, ไปเที่ยววินทบาทก็ไปคิดเอาสาวนักเรียนนะไปคิดเอาสาวนักเรียนบ้านหลังนั้นมีสองคนเอาทั้งสองคิดเอาสองคนคิดได้มีเมีสองคนแล้วก็ทำงานช่วยกันมันก็ดีกว่ามีคนเดียวนะ หลวงพ่อคิดเอาทำนองนี่แหละถา้ถามีคนเดียวเนี่ยมันไม่รวยนะถ้ามีสองคนมันจะรวยง่ายทำงานช่วยกันมันว่าแบบนี้มันก็คิดปรุงแต่งมาได้เมียแล้วเป็นแบบนั่นแบบนั้นคิดมาเรื่อยๆกลัวจะเดินถึงวัดสันติกาวาสนี่ได้ลูกสองคนมันคิดเอานะ ไ, ไม่ได้เคยมีลูกมีเมียหรอกแต่มันคิดเอานะพอมาถึงวัดแก่ถลกบาทออกห่มผ้าสเสวียงบาเสร็จแล้วก็กราพพบพระประธาน พอนั่งลงเช่นั้นละ่ะหลวงปู่กุญจันทร์มองมาหาหลวงพ่อไปบินทบาทเอาลูกเอาเมียด้วยหรอนะทีเดียวเท่านั้นหลวงพ่อไม่รู้ว่าเป็นไงช่วงนั้นตกใจมันฟูบลงทีเดียวหนังเน่าไปหมดตัวเลยนะอันนี้ละ่ะสิ่งที่ไม่เคยเป็นมันเกิดเป็นนะแต่เราพยายามที่ว่าจะนั่งภาวนาให้มันเกิดมันเป็นเนี่ยมันก็ไม่เคยลู่เคยเห็น แต่หลวงปู่บุญจันทร์ทักทีเดียวเนี่ยหนังเน่าได้เลยหนังเน่า ว, วันนั้นก่อนฉันข้าวยังไม่ยังไม่ได้พิ่งจะ บ, บินทบาตกลับกลับถึงวัดแค่นั้นหนังเน่าได้แล้วเช้านั้นต่อมาก็มันก็ถอนออกไปมันก็ที่ว่าได้กําหนดดูมันเห็นสมมุติหนังเน่าได้แล้วก็คิดดูตัวนั้นเป็นอารมณ์ไว้อีกสามสี่วันต่อมาก็ได้ไปบ้านตาอ่ พอไปถึงบ้านตาดเนี่ยหลวงตามหาบัวท่านเทศให้ฟังไม่ได้เทศเรื่องที่ว่าเหมือนแบบที่ว่าเรารักผู้หญิงเรารักผู้หญิงรักสาวนักเรียนแต่หลวงตาท่านไม่ได้พูดเรื่องมนุษย์มนานะท่านพูดเรื่องไม้ท่านเวลาหลวงปู่บุญจันทร์หลวงตาสมายนี่พาไปถึงกุฏิหลวงตาบัวแล้วคุณแม่สุดี ท่านก็ถามอาการป่วยของหลวงตามหาบัวในช่วงพศ๒๒ยังเป็นท่านอาจารย์ยังเป็นท่านอาจารย์ยังไม่เป็นหลวงตาในช่วงนั้นพอถามแล้วท่านก็ตอบคุณแม่สุดีเสร็จแล้วก็มามาเทศให้หลวงพ่อกุติสาลาเขาไม่ได้เอาไปเอาไม้เป็นต้นมาทำเขาตัดลงเขาตีโผลออกเขาเลื่อยเป็นกระดานพื้นกระดานฝากลัวนายช่างเขาจัด ทำสะอาดกลัวนายสร้างเขาจะมาประกอบกันเข้ามันง่ายเมื่อไร่ขน้อยพอแล้วในมนท่านอาจารย์หยุดเทศอั น, น้ใจมันพุดขึ้นมานะที่มันว่าแบบนี้ใจมันพุดขึ้นมาท่านอาจารย์มหาบัวหยุดหยุดแล้วท่านก็มองไปหาหลวงปู่บุญจันทร์จะไปไหนต่อพวกกับผมจะไปถ้ำของเพนเอาไปไปไปนะก็พากันลงไปถ้ำของเพนถึงวัดหลวงปู่ขาวนะกราบหลวงปู่ขาวแล้วก็ นั่งหลวงปู่ขาวถามว่าถามอาการป่วยของหลวงปู่บุญจันทร์หลวงพ่อก็คิดขึ้นมาในใจความคิดนะแต่หลวงปู่ขาวได้ยินได้ยินความคิดหลวงพ่อคิดว่าหลวงปู่ขาวเป็นพระลังหันเหมือนกับท่านอาจารย์มาบัวหรือยังแค่นี้หลวงปู่ขาวได้ยินหลวงพ่อปู่ขาวก็มองมาหลวงพ่อพอมองมาแค่นั้นแ่ะนี่เหมือนกับเฟสเนี่ย เหมือนกับแฟนถ่ายรูปฟึบมาทีเดียวจากใบหน้าท่านมาหาหลวงพอ่อจิตฟูบลงอีกเทีย่ยวเที่ยวนี้นะ่เป็นกระดูกไปเลยนะดูล่างกระดูกของตัวเองกำหนดอย่างไรก็ไม่มีตัวกำหนดดูอยากให้มันมีตัวเนี่ยมันไม่มีกำหนดไปดูครูบาอาจารย์ที่ไปด้วยกันคณะญาติโยมที่ไปด้วยกันเป็นกระดูกไปหมดนั่นเป็นแบบนั้น อันนี้ ก, กิตสงบอยู่นั่นตั้งนาน อ, าอยู่ที่กุดตีหลงปูเขาวจิตมันไม่ยอมถอนจนครูบามาจับไหลเขยา่าจิตจึงถอนพอจิตถอนออกมานี่ก็มองเห็นหลวงปู่ขาวหลวงปู่เพง่งหลวงปู่จันทาครูจันนะก็ยิ้มใส่หลวงพ่อนะท่านนั่งอยู่ท่านไม่มาจับหลวงพ่ อ, อในขณะที่จิตสงบอยู่นั่นแต่ครูบาบ้านชัยวานไปจับเขยา่าหลวงพอรู้สึกตัวมาก็ เตรียมตัวกราบหลวงปู่ขาวะจะนั่งะจะนั่งกระโยงเนี่ยนั่งไม่ได้ขามันเป็นเน็บก็นั่งคุบเขา่าเหมือนโยมผู้หญิงกราบกราบหลวงปู่ขาวทั้งดีใจคิดเห็นบุญคุณว่าหลวงปู่ขาวเนี่ยเราเกิดตายกาเกิดตายอยู่ในโลกนี่จีซ่ากีพบเราจะใช้นี่ท่านหมดท่านเมตตาเราถึงขนาดนี้คนเมืองอุดรมีที่ว่า หลวงปู่ขาวเมตตาอย่างเรานี่มีกี่คนมันคิดขึ้นมาสำนอง น, งนี้แล้วก็มันตอบไปเองเอว่าไม่ถึงสิบคนมันตอบไปเองนะเนยอันนี้มันบอกว่าหลวงเห็นหลวงปู่ขาวท่านตอบหลวงพ่อก็จว่าท่านอาจารย์มหาบัวที่ว่าสำคัญว่าท่านเชื่อมั่นความเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์มหาบัวเป็นพระลหันเกิดความเชื่อมั่นที่ว่า ท่านไม่ได้เอาปัจจุบันมาพูดท่านเอาอาดีตชาติมาพูด อ, อ, องหลวงตามหาบัวนี่ท่านรู้จักว่าภพชาติของหลวงพ่อนี่ที่เกิดตายเกิดตายมาแล้วในอดีตชาตินั้นเคยทำอะไรมาไว้บ้างเคยทำบุญทำทานเคยสร้างกุฏิสร้างกระต๊อบกระแตบถวายครูบาอาจารย์ท่านเอาตัวนั้นมาพูดหลวงพ่อก็เลยว่าพอท่านพูดเรื่องไม้มันก็สะดุดมาเลยขน้อยพอแล้วเนี่ย นั่นอันนี้แหละเกิดความอัศาจรรย์ว่าท่านอาจารย์มหาบัวเป็นผู้มีอภิญญามีความรู้มีสติปัญญามันมันเกิดขึ้นมาทํานองนี้เชื่อมั่นว่าท่านเป็นพระละหันแต่ไปเจอหลวงปู่ขาวมันก็คิดว่าหลวงปู่ขาวเป็นพระลรหันเหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัวหรือ ย, อย่างอันนี้หลวงพ่อความสงสัยของหลวงพ่อเป็นแบบนี้พรา อ, อมัน เดินออกจากหลวงปู่ขาวเนี่ยลุกขึ้นไม่ได้ก็เดินเขา่าเดินเข่ามาถึงบันไดมาถึงบันไดแล้วก็เอากเอาแขนนี่แหละเวียงตัวเองลงบันไดเอาขาลงไปแล้วก็แขนผักตัวเองลงไปขาเนี่ยมันใช้อะไรไม่ได้ขามันตายแล้วช่วงนั้นขามันเป็นเน็บไปแล้วก็ผักตัวเองลงมาถึงชั้นล่างแล้วก็ไซสสอบ เนกขาตัวเองอยู่นั่นตั้งนานกลัวจะเดินไปหารถได้ถึงรถแล้วก็ไปขึ้นรถอองหลวงตาสมหมายนี่ก็บอกโซโฟเฟอร์รถไปบ้านน้องบบานทํานอง น, นี้หลวงพ่อในขณนะนั้น่ะจิตมันถอนยังไม่หมดนะมันมีตัวรู้กับจิตอยู่อยู่ในใจนัน้มันก็เกิดความสงสัยว่าเอหลวงปู่บ้านน้องบบานบวชนานหรื อ, อยังก็เลยถามครูจาน หลวงปู่ว่าน้องบัวบานบวชนานหรื อ, อยังท่านตอบหลวงพ่อว่าบวชก่อนปู่ขาวหลวงพ่อบอกตัวเองนะธรรมดาคนบอกตัวเองไม่ได้แต่ถ้าจิตมันสงบอยู่เนี่ยมันมีสองตัวมันมีจิตกับผู้ลูกตัวมันเลยบอกตัวเองว่าอย่าไปสงสัยท่านอีกนะบอกตัวเองแบบนี้นั่งรถไปถึงบ้านนองบัวบานก็ลงไปเดินเข้าไปหาหลวงปู่อ่อนญา น, นัสสิ เดินเข้าไปที่กุฏิของท่านท่านขณะนั้นท่านก็นั่งอยูอ่นั่งอยู่แค่ไม้ไผ่นั่นแหละคณะบ้านไสวานไปนั่งแล้วก็คูบาก็เอาจีวรมายื่นให้หลวงปู่หลวงปูก่ก็คุมจีวรแบบนั่งพระเพียบ ม, มันไม่เรียบร้อยพอท่านเคี่งลูกบวบคุมจีวร น, นั่งพระเพียบคุมนั่นแะหละท่านไม่ลุก หลวงพ่อก็ตําหนิท่านว่าบวชนานเท่าไรยิ่งมากงายอ่ะพอพอตาหนิเสร็จนั่นแหละหลวงปู่อ่อนท่านได้ยินท่านได้ยินคําตําหนิของหลวงพ่อที่คําคิดของหลวงพ่อหลวงปู่อ่อนท่านมีหูทิพย์อีกท่านก็ล้องใส่เลยพระเนนดูครูบาอาจารย์มันเอาตาดูท่านดูหัวใจมันคิดนั่นท่านล่องขึ้นมาใส่พอท่านล่องใส่แล้ว เหมือนกับมีท่อนสูงใหญ่ๆทับฟุบลงตัวหลวงพอ่อจิตดับจิตดับไม่เห็นอะไรน ะ, ะไม่เห็นล่างกระดูไม่เห็นหนังเนา่าไม่เห็นความรู้ความอลไต่างๆหมดไปเลยแต่มันก็ที่ว่าหมดหมดความรู้ไปแต่ต่อมาก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกมันมีตัวขึ้นมาอีกมีหูขึ้นมาอีกหลวงปูอ่อน เทศไปถึงป่าสมัยเป็นหนุ่มไปกับอาจารย์ฟันไปเทศแถวเมืองขอนเก่นท่านท่านพูดไปถึงช่วงนี้นี่แหละหลวงพ่อมีมีตั ว, ม, ตวมีตนขึ้นมาอีกนี่แหละจิตมันดับอันนี้ถือค้อนทะเนินโบราณคำโบราณว่าถูกค้อนทะเนินหลวงปู่อ่อนวันนั้นหลวงพ่อนั่นแหละวันเดียวกันนั่นแหละออกจากบ้านตากเข้าบ่อนถ้ำกองเพลนมาบ้านหน้องบบา น, บานก็ถูกทั้งสามที่ พอค่ำอีกหน่อยก็หลวงปู่คุณจันทร์ขอโอกาส ก, กาบลาพาคณะลูกศิษย์กลับวัดพอขึ้นรถเท่านั้นแหะขึ้นรถเนี่ยนมันก็ทักกันเลยของหลวงพ่ออ้อาววันนี้เรามาเจอแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีๆนะที่ท่านปฏิบัติเก่งๆ เ, เป็นพระอริยเจ้าทั้งนั้นแล้วอา้าวเก่งก็จริงแล้วครูบาอาจารย์ท่านแก่แล้ว สำหรับเรานี่ยังนมอยู่อ่าเราก็ต้องศึกไปหาเอาลูกเอาเมียก่อนเรามาบวชเราไม่เคยมีลูกเมีเมียเราต้องศึกไปก่อนแล้วแก่ก่อนอายุหกสิบเจ็ดสิบจึงกลับมาบวชใหม่มันว่าแบบนี้อ่าตัวหนึ่งพุทขึ้นมาอีกอ้าวไม่ต้องอา จ, าจารย์ครูบาอาจารย์เมตตาถึงขนาดนี้ถ้าเมื่อไห่ถ้าเ ม, มื่อไม่ปฏิบัติเอาเนี่ยเมื่อโงกก่กลัวหมาอันนี้ศรัทธานะ ศรัทธามันเกิดตรงนี้อ่ามันแบบที่ว่าอ้าวนะจากวันนี้ต่อไปเราจะอดข้าวจะกี่วันก็ช่างถ้าไม่รู้ไม่เห็นคําสั่งสอนของพระองค์ภาษาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะให้มันตายไปเลยเนี่ยอันนี้ศรัทธามันเกิดมันเกิดขึ้นมาทำนองนี้มันได้ยินได้ฟังได้สัมผัสอันนี้แหละที่ว่าอ่าไปถึงกุฏิหลวงปู่ขาวนี่เป็นกระดูกได้แล้ว ดูกระดูกอยู่นั่นตั้งนานแต่พอมันเกิดศรัทธาเนี่ยขึ้นมาช่วงนั่งรถจะกลับวัดนั่นแหละรถยังไม่ออกเหวิด่ดเขตวัดหลวงปู่อ่อนแต่ตัวนี้มันเกิดเลยมันขึ้นมาเลยพุดๆพดขึ้นมาเลยเพราะหลวงพ่อจิตมันมันอยู่ว่ามันจิตมันสงบอยู่ต่อเนื่องจากจากถ้ำกองเพลนมาหาหน้องบวบาลเนี่ยจิตมันสงบต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆแต่ก็เดินได้อยู่นะ แต่กิตมันไม่ไม่ยอมถอนมันมีตัวลูกมีจิจอยู่นั่นแหละมันก็เกิดแบบนี้ขึ้นมามันก็ดูมาเรื่อยๆอ่ามันก็ดูว่าอารมณ์ของเราเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ามันก็จะแบบสละตายนะมันแบบที่ว่าถ้าไม่รู้ไม่เห็นสัจธรรมคําสั่งสอนของพระเจ้าให้มันตายไปเลยจะกีปีกีดวันก็ช่างมันบอกทําลองนี้เลยอันนี้ศัทธามันเกิดอ่าแล้วก็นั่งลถมาถึงวัด ก็อดข้าวอดข้าวมาได้สี่วันผ่านไปสี่วันแต่วันนั้นเป็นวันที่ห้ามิถุนาพศยีพสิบสองวันที่ห้ามิถุนาพศยี่สิบสองนะเดินจมกลมเดินจมกลงตอนเช้านี่เดินกลับไปกลับมาไม่นานก็มีงูตัวหนึ่งมาขวางทางมันม้วนตัวมันเตรียมจะสุกเรานั่นแหละหลวงพ่อก็หยุดดูหยุดดูงูนะ อพอหยุดดูงูเนี่ยมันเกิดธรรมะพุทธขึ้นมาสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในโลกไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้าเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ตายทับถมพื้นแผ่นดินอยู่นี่พร้อมกับตัวเรามันมันลงท้ายแบบ ม, มันมันม้วนท้ายแบบว่าพร้อมกับตัวเราจิตสงบฟูบลงไปจิตสงบไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเราไม่ได้อยู่ทางจมกลมเหมือนกับเราอยู่ในป่าในดงอะก็เห็นศพซะบ้านนะ่ะ จิตมันรวมลงไปแล้วมันมีตัวลูกกับจิตอ่ามันก็เท่ว่าเข็นศพศพผู้ชายอ่าจิตนี่มันสงสัยมันว่าศพใครเนี่ยตัวผู้ลูกมันก็ตอบอ่ศพของเราแต่ทราบ ก, ก่อนเอ๊ะทำไมถึงตายแบบนี้อยากหนังเหนียวหมายว่าอยากหนังเหนียวเขาบอกให้ไปยิงเสือไปเอาหนังหน้าเสือนี่ไปลงคาถาอาคม แล้วจะอยู่หอกอยู่ดาบคงจะเป็นสมัยพระเจ้าตากศิลหรือพระนเรศวร น, นะหลวงพ่อในช่วงศาสตร์ก่อนนะมันต้องการหนังเหนียวอยากอยู่หอกอยู่ดาบไปยิงเสือพอยิงเสือแล้วเนะ่ยเสือมันใจมันยังไม่ขาดมันกลับมากัดตัวเองมันกลับมาตกตัวเองก็ทนบาดแผลไม่ไหวก็ตายคาที่นั่นมันเออศพของเราแต่ศาสตร์ก่อนเป็นแบบนี้ เออดีใจแล้วมันแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นซาตสก่อนของเราวันนี้เราได้เห็นซาตสก่อนของเราแล้วมันขึ้นมาทาน้องนี่มันดีใจมันก็ดูที่ว่าลักษณะศกที่ถูกเสือทําลายก็ดูดูไปดูมาจิตก็ถอนพอจิตถอนขึ้นมาแล้วนะมันพูทธพุทขึ้นมาอีกจากวินาทีนี้ต่อไปเราไม่ต้องสันน้ำเราจะอดแต่ข้าวอยู่นี้ยังสันน้ำ ม, มันไม่ตายง่ายนั่น อันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นผดเด็ดการมันบอกให้หยุดฉันน้ําอีกอในครั้งแรกเราบอกว่าหยุดฉันข้าวให้มันตายไปเลยแต่พอถึงช่วงนี้เนี่ยมันเอาให้ฉันไม่ให้ฉันน้ําอีกแล้วอันนี้เป็นผดเด็จการหรือว่าศรัทธาก็ว่าได้นะอะ่มันเกิดศรัทธามันบอกว่าให้ตายเร็วๆนั่นนะในขณะนั้นอ่ะใจจิตเนี่ยมันวิววิว ว, วิวเล ย, เลยอะ ใกล้แล้วแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะทำนองนี้ล่ะใกล้จะได้รู้ได้เห็นแล้วมันบอดทานองนี้ก็เดินขึ้นจากทางจงกรมขึ้นกุตินั่งขัดสมาธิลงไปนั่งขัดสมาธิลงไปพอนั่งเสร็จแค่นั้นล่ะพุดขึ้นมาอีกนั่งข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายคำว่าลูกของเราไม่มีน่นเป็นพฤติการของหลวงพอ่อหลวงพ่อจะว่าสติของเราเนี่ยถ้าเรามีสติ มีขันติมีสติมีขันติความอดทนมีสติตั้งมั่นมีศรัทธาเชื่อมั่นเราไปได้นี่ลหละทุกคนที่มาในวันนี้ให้พวกเราตั้งสติดีๆนะอย่าส่งออกข้างนอกให้ดูในกายของตัวเองฟังเสียงหลวงพ่อไปแต่ให้มันรู้เข้ามาที่ว่าภายในกายของเรานี่แหละมาดูแบบนี้ ดูฝึกดูหนังเน่าดูกระดูหลวงพ่อนี่แต่ของหลวงพ่อไม่ได้เกิดง่ายง่ายอาศัยหลวงปู่ขุนจันทร์จึงเห็นหนังเน่าอาศัยหลวงปู่ขาวจึงเห็นล่างกระดูแต่มันมีของได้รู้ได้เห็นแล้วเนี่ยมันก็เดินต่อไปเลย เ, เวลาเรานั่งภาวนานช่วงที่ว่านั่งสละตายนั่นก็เอาแบบนั้นแหละก็ดูหนังเน่าฝึกดูหนังเน่าเน่าในที่สุดมันก็เป็นเปื่อยเน่า อ่าหนอนเจาะจินหมดแล้วลงไปเป็นล่างกระดูกในที่สุดกระดูกเปื่อยผุพังลงเป็นดินอ่ากำหนดแบบนี้ให้อยู่แบบนั้นสู้กับทุกขเวทนาสู้กับความที่ว่ามายาของกิเลสมายาของกิเลสมันจะมากสิทธ์นะเอออย่านั่งนานเดี๋ยวมันเป็นอมะพะถึกถ้าเป็นอมตะถึกเนี่ยไม่มีคนมาอ่าปฏิบัติผัดถากนะเราเป็นพระหนุ่มพระน้อยอยู่ ไม่เหมือนครูบาอาจารย์นะอมันจะแย่นะน่ะให้เลิกซะเถอะอหยุดไปกินข้าวแล้วอแล้วก็อ่าแกอ่าวันหลังจึงค่อยทำใหม่ไม่ต้องกูไม่เชื่อมึงอีกแล้วอันนี้มันทานองนี้นะไม่ต้องเลยนะอมันจะมาอ้เซ้ออ่ที่ว่าอ่มันจะมาอ้อซ้ะอยากให้เราเลิกเลิกทำความภาคความเพียรเนี่ยตัวตัวหนึ่งมันพุทธขึ้นมาเลย ไม่ต้องกูไม่หลงเชื่อมึงอีกแล้วอ่ามายากิเลตันหาพวกเรานี่ต่อมามันก็มาเกิดอีกอ่าเหมือนกับมีตัวมดตัวอะไรมาเดินตามหน้าตามมันจะเข้าลูจะโมอของเราแบบนี้เดินไปตามริมป่าไปเนี่ยมันอยากยกแขนขึ้นมาอ่ามาเซตมาไล่นั่นแหละอ่ายกไม่ได้คนที่เขาตายไปแล้วศพที่เขาตายไปแล้วนี่ยยกแขนยกมือไม่ขึ้น ขึ้นไม่ได้นีมันขึ้นมาเท่าน้องนี้มันบอกว่าเราเป็นศพแล้วอ่าขยับตัวไม่ได้แล้วอันนั่นแหละหลวงพ่อจึองว่าสละตายเพื่อทำอ่ามันเกิดขึ้นมาเท่าน้องนี้ของหลวงพ่อมันเกิดพุทธขึ้นมาตอบอ่เพราะมันจะอะไรว่าเดี๋ยวมันเป็นอมตะพฤกษ์นะเดี๋ยวมันเป็นโลกกระเพาะหน้าเนี่ยมันพุทขึ้นมาตอบเลยอ่าไม่ต้องไม่ต้องทั้งหมดน่ะผ่านไปเรืยยย่อยๆทุกขเวทนาเกิดรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆ ในที่สุดมันรุนแรงขึ้นมามันร้อนขึ้นมาแต่หลวงพ่อในทุกขณะนั้นก็ช่งหลวงพ่อจะกำหนดหนังเนา่าศพของเราศพของเราเราเป็นศพแล้วหมามากัดกินอีแร้งอีกามากัดกินหนอนไส้กินในที่สุดเปื่อยเน่าลงเป็นดินตายอยู่แบบนั้นละ่ะคิดให้ตัวเองตายแล้วลงเป็นกระดูกลงเป็นดินให้คิดว่าซากศพของหลวงพ่อนี่ลงเป็นดินอยู่บ่อยๆไปนั่นแะ เอาจนมันชำนาญน่แหละคิดอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ทุกขเวทนามันก็ไม่ยินเลิกนะมันก็ทุกไปเรื่อยๆอพอมันทุกไปเนี่ยมันมีเกิดมีกองเสียมาพุทขึ้นมาอีกอา้าวทุกแค่เน่ก็กลัวตายหรือศพที่เขาขึ้นกองฟอนอ่ะไฟลุกขึ้นนะ่ะไม่เห็นศพไหนมันวิ่งหนีเออจริงนะเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีควันยังไม่มีเปลวไฟเออดีใจอ่ดีใจแล้วก็สู้ไปอีก สู้ไปเรื่อยๆอีกต่อไปเนี่ยรุนแรงขึ้นมาอีกแบบแบบใหม่นะบัดนี้กระตุกเลยกระตุกกระเพื่อ ม, มขึ้นมาเลยตัวของเราเนี่ยเหมือนจะตายจริงๆกระดูกจะแตกหนังก็จะเปื่อยจะเน่าลงมาจริงๆมันร้อนไม่มีที่ว่าจะอยู่แล้วใจก็จะขาดใจก็จะขาดมันร้อนทุรนทุร า, ายขึ้นมาพุทขึ้นมาอีกพัดนีพุทขึ้นมายกที่สองบอกว่า โอ้ทุกแค่นี้ก็กลัวตายหรือที่เราไปตกอเวกีนรกเนะ่ยหลายกลับหลายกันเออคาว่าหลายกลับหลายกันเนี่ยหลายล้านหลายล้านปีนะที่เราไปตกนรกตกอเวกีเนีเรานั่งอยู่วันนี้ยังไม่ข้ามคืนข้ามวันนะมันก็ยังกลัวตายก็ดีใจอกีกก็สู้ไปอีกทํานองนี้แหละอ่าหลวงพ่อดูแบบนี้แหละลมของเราเนี่ละเอียดเข้าละเอียดเข้านะอ่า ครั้งแรกเนี่ยเราก็นึกพุทโธได้แต่ถ้ามันร้อนขึ้นมาแรงๆเนี่ยคำว่าพุทโธหายทําไมมันจึงหายมันนึกได้อะไรมันนึกว่าตายตายตายตายตายช่วงยังไม่ปวดขานี่มันนึกพุทโธพุทโธตามลมหายใจเข้าออกแต่มันร้อนแรงๆแล้วเนี่ยในทุกขเวทนามันจัดขึ้นเรื่อยๆยคําบริกรรมเนี่ยว่าตายตายตายตายตายตายตายตายลัวไปเลยล่ะเสียงในขนาดนั้นมันลัวไปเลยเนี่ย มันที่ว่าทุกแรงที่สุดหลวงพอ่องงว่าสละตายเพื่อทำเนี่ยแหละคำที่ว่าคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาถ้าเรายังที่ว่าห่วงยังมีห่วงมีความอะไรเสียดายว่าขากูแขนกูตัวกูตัวเราเนี่ยถ้าเรายังห่วงอยู่เนี่ยมันยังมีอุปทานใจของเรามันยังไม่ปล่อยไม่วางเนี่ยมันยังมีอุปทานถ้าเราที่ว่าพยายามที่ว่า ไล่มันออกไปจนมันไม่ม on ีความยึดความยึดติดมันไม่มีนั่นแหละจิตของเรามันจึงจะได้เกิดความรู้ความเห็นเลยทุกขึ้นไปอีกเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยลมหายใจของเราเนี่ยละเอียดเข้าเรื่อยๆละเอียดเข้าเรื่อยๆคําบริกรรมก็นึกได้แต่ตายตายแต่ลมหายใจมันจะขาดเนี่ยมองเห็นลมหายใจตัวเองเนี่ยวิบเล็ดเข้าเล็ดออกเล็ดเข้าเลิดออกเหมือนกับ เข้ากับเส้นได้เส้นไหมเนี่ยอ่ามันนิดเข้านิดเดียวมันไม่ถึงอ่าปอดนะลมหายใจมันเข้าไม่ถึงปอดมันทุกแรงอ่าทุกแรงที่สุดแล้วก็ลมหายใจก็จะขาดอา้าวดูลมไปดูลมมาเนี่ยลมขาดไปเยอ้าวไม่ใช่เราตายแล้วหรือนะมันเกิดขึ้นมาอา้าวตายก็ตายเลยเราสละตายมาแล้วนะแต่ที่จริงมันไม่ได้ตายมันมีตัวรูอยู่ในขณะที่ หาลมหายใจหมดแล้วเนี่ยมันก็เหลือตัวลูกนะจะตายก็ช่างมันเรามีตัวลูกอยู่เราดูตัวลูกต่อไปนี่แหละดูทํานองนี่อันนี้ญาติโยมอย่าไปเผอให้มันนะถ้าบางคนนั่งภาวนาไปลมหายใจหมดเออไม่ไรไม่ใช่วันเราตายแล้วหรือเนี่ยลืนตาขึ้นมาหายอสาวลมเข้ามาเนี่ยจิตของเราอยากจิตของเราจะถอนอ่ของหลวงพ่อในช่วงหลวงพ่อนั่งภาวนานะ่ ก็ยังไม่มีอุบายทำมาจากที่ว่าครูบาอาจารย์จะบอกนะแต่มันก็ห้ามตัวเองไว้ไม่เคยได้ยินดอกที่ว่าวิธีสู้กับทุกขเวทนาแบบหลวงตามหาบัวเทศยดให้ฟังแต่ก่อนยังไม่มีเทปไฟฟ้าก็ยังไม่เข้าวัด อ, อยู่แบบที่ว่าล้อนๆนั่นแหละไม่มีพัดลมไม่มีแอร์อะไรหรอกในช่วงนั้นสู้กับทุกขเวทนานั่นแหล ะ, ะวิธีสู้ก็ว่านั่งสละตาย นะมันจะร้อนก็ชั้งกีวอนเี่เปียกหมดเปียกหมดแบบที่ว่าน้ำไหลออกจากตัวเรานี่มันได้หลายลิตรอยู่นะมันไหลออกนะหลวงพ่อคิดว่าน้ำที่ไหลออกไปถูกจีวรนเปียกหมดเลยทุกกระเบียดผ้ากีวอนเี่เปียกหมดถ้าเอามาปั้นไหลออกเลยละ่ะวันนั้นนะมันเปียกเลยเพราะนั่งกลางวันนั่งขึ้นนั่งกุฏิเนี่ยแต่ได้ยินวันนั้นะ่ะ ก่อนที่จิตจะสงบที่ทางชมคมหลวงปู่ให้พรแล้วในช่วงหลวงปู่สันข้าวเนี่ยหลวงพ่อจะขึ้นกุฏิแล้ววันนั้นหลวงพ่อขึ้นกุฏิประมาณสโมงประมาณสโมงกลัวจิตจะถอนเนี่ยโมงเย็นมานสโมงเย็นนั่นแหละสู้อดสู้ทนลุยแหลกถ้าเป็นนักมวยไม่มีการให้น้ำซกไปเรื่อยๆออกูไม่ตายมึงตาย หมึงไม่ตายกูตายเอาทํานองนี้เลยสู้แบบที่ว่าไม่มีการไม่มีพี่เลี้ยงก็แล้วกันสู้แบบนั้นอันนี้แหละเราที่เราเกิดมาเรายึดติดเรามีความยึดว่าตัวเราขาเราแขนเรามันก็จะว่าหึงหวงมันบอกว่าเราจะตายขาเราจะเป็นเน็บเป็นอะไรอันนี้เป็นที่ว่าดานดานของพยามาลพยามาลที่มัน กั้นกลางไม่อยากให้เราลู่เราเห็นในที่สุดเนี่ยด่านที่สุดท้ายเนี่ยเป็นด่านอุปทานด่านอุปทานหลวงพ่อพิจารณากายเนี่ยพิจารณากายให้มันเกิดความแยบคาย อ, อยากแยกว่าในทุกขเวทนาอยู่ขณะนั้นนะเอา้าคนที่เขาตายนี่จิตมันจะออกจากล่างในขณะนั้นหลวงพ่อตั้งสติดูว่าวิญญาณจะออกช่วงไหนกําหนดอยู่ท่าเดียวนะ ตั้งสติดูให้ที่ว่าเวลาวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนมันจะออกช่วงไหนกําหนดอยู่แบบนี้มีสติจดจ่ออยู่แบบนี้ทุกขนาดนั้นก็ช่างไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เผอไม่เผอช่วงนี้มันจดจ่ออยู่นั่นแหละมันเป็นที่ว่าจิตของเรามันต่อเนื่องอ่าในครั้งแรกทุกพวกเราภาวนาเนี่ยนึกพุทธโธมันก็ไม่ต่อเนื่องนะอ่าพุทธโธครั้งแรก เรานึกพุโทโธเนี่ยพุโทโธพุธโทโธแป๊บเดียวหายแล้วอา้าวมา น, นึกมาอีกทํานองนี้แหละแต่ในที่สุดถ้าจิตของเรามันจะสงบได้ถ้าคนมีสติรักษาพุโทโธของเราได้นะ่ะพุโทโธมันต่อเนือ่องได้ต่อมาพุโทโธมันก็เป็นอันเดียวกับใจเราอ่าไม่ได้นึกยากมันเป็นของมันเองพุโทโธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจเราเนี่ยแต่ต่อมาในที่สุดใจลมหายใจหมดแล้ว เหลือแต่ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้นี่ยมันมีอยู่ก็รักษาทุกขเวทนามันก็ยังมีอยู่นั่นแหละอ้าวเมื่ อ, อไรจิตของเราเนี่ยมันมันจึงจะออกแยกจิตออกจากกายได้มันมันคิดหาค้นหาวิธีนี้ในที่สุดมันพุทขึ้นมามันกระซิบขึ้นบอกว่าอ้าวอุปทานมันว่าพอได้ยินคําว่าอุปทานเช่นั้นแหละผางเลยวะเนี่ยเราไม่ยึดนั่นนะ่ะเสียงเฉพาะเสียงผู้รู้เฉพาะผู้รู้ มันเป็นปัจจุบันนาจิตปัจจุบันนธรรมมันเกิดขึ้นมาในช่วงนี้มันก็เกิดที่ว่าเกิดความมหัศจรรย์สิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นเราได้เกิดความรู้ความเห็นเป็นมหัศจรรย์มันโอ้โหโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แบบนี้แบบนี้มันขึ้นมาเลยมาเนี่ยมั่นไะมันก็เกิดขึ้นมาศรัทธามันเกิดขึ้นมาเกิดความที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งที่จริงอ่า เราเน่ยเป็นคนไม่จริงมันก็ตําหนิตัวเองมันคิดขึ้นมาทําเท่านี้น เ, นเองเราได้รูปแบบนี้เพราะอะไรเพราะมีเพราะเราเกิดเพราะอาศัยเกิดเกิดมาจากใครเกิดมาจากแม่พัรณานาคุณแม่อีกมาเน่ยพรรณนาคุณแม่ยอยู่ในท้องแม่นะเก้าเดือนมันว่าเวลาเราเกิดเนี่ยเวลาเราเกิดแม่สลบไปแม่ฟื้นขึ้นมาเนี่ย ลูกของฉันยังไมลูกของฉันยังไมนั่นความเมตตาสงสารมีเป็นสันดานของอแม่ของพวกเราทุกคนที่เราเกิดขึ้นมาในสมัยก่อนอแต่สมัยก่อนยังไม่มีหมอยังไม่ได้ไปพึ่งหม อ, อก็บเบ่งออกเองนะ่นะปวดเจ็บปวดเหลือเกินละ่ะเหลืออดเหลือทนละน่ะเนี่ยลอดลม้มลอดตายบางคนก็ตายไปซะเลยเนี่ย ออกลูกในสมัยก่อนอันนี้แหละพวกเราก็ให้คิดถึงว่าบุญคุณของแม่พักคุณของแม่หลวงพ่อมันรรณาคุณแม่ในขณะนั้นไม่มีตัวแล้วมีแต่ตัวผู้ลูกมันเป็นตัวผู้ลูกมันเกิดความอัศจรรย์ได้รู้ได้เห็นพระษธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วมันภรณาคุณแม่ละเอียดในมันนะมันขี่ยิบเลยมันบอกว่าเรากัดนมหัวอาหัวนมแม่ เวลากินนมก็กัดหัวนมแม่เวลามันมีเล็บมันก็ขวนนมแม่กินนมอยู่ข้างหนึ่งตีนข้างหนึ่งก็ถีบนมแม่อีกข้างหนึ่งยันเล่นอยู่อย่างนั้นแหละมันอยู่สนุกสนานอยู่แบบนั้นไอเด็กนะแต่แม่นี่ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างถึงลูกจะชี้เยี่ยวรถก็ช่างก็ปล่อยไปก็มีความรักความสงสารถ้าลูกป่วยไข้เจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็ยังทุก ยิ่งกว่าลูกอีกนั่นแหล ะ, ะที่ว่ากุลีกูจอหายาหาอะไรฝนลากไม้อะไรมารักษาหาคนมาเป่าทำนอง น, นี้แหล ะ, ะในสมัยก่อนเป็นแบบนั้นอันนี้แหละแม่ของพวกเราที่เราเกิดกับท่านเป็นผู้มีพระคุณหลวงพ่อทั้งร้องให้ทั้งคิดแต่ก่อนหลวงพ่อไม่เคยคิดที่ว่าคุณแม่ถึงจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยจิตมันปล่อยวางได้แล้วเนี่ย มันเห็นคุณของแม่นี่อย่างมหาศารลร้องให้เลยทั้งร้องให้ก็นั่งภาวนาไปนะก็ร้องให้ไปมันเอาอะไรที่ว่าไม่มีตัวมีตนแล้วมันเอาอะไรร้องให้เอานามธรรมตัวนามธรรมนี่มันตัวผู้รูนะ้น่ะเป็นนามธรรมมันร้องให้มันสงสารที่ว่าแม่อุดซาเลี้ยงเรามากลัวที่เราจะโตขึ้นมาได้บวชยังดีแม่ของเราเป็นสัมมาทิฏฐิยังไป วัดป่าหาหลวงท่านอาจารย์มหาท่านอาจารย์บุญจันทร์แต่ช่วงหลวงพ่อเป็นเด็กนะพ่ศูนหพ่ศูนหเนี่ยในช่วงนั้นหลวงพ่อทูลบวชแล้วหลวงพ่อทูลก็มาอาเทศเอาพ่อเอาแม่แล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยไปรับพระไตรสรณภมกับหลวงปู่บุญจันทร์นะในช่วงนั้นเรียกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บุญจันทร์ในช่วงนั้นนะพ่ศูนห้ายังไม่เป็นหลวงปู่ ในช่วงนั้นหลวงพ่อมารับพระไตสนานคมนะท่านก็บอกว่าอย่าฉันเนื้อดิบห้ามสันปลาดิบกุ้งดิบทุกสิ่งทุกอย่างให้สุกด้วยไฟปลาสม้มปลาจมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้สุกก่อนจึงรับทานเนื้อมังสังสิบอย่างท่านห้ามไว้เลยนี่แหล ะ, ะก็แล้วว่าห้ามกินเหล้าให้มีศีลห้าประจําใจทำนองนี้หลวงพ่อก็ได้ว่า ได้มีโอกาสที่ว่าไม่ได้กินเหล้าไม่เคยได้กินเหล้าเพราะในช่วงนั้นยังเป็นเด็กอยู่ก็ไม่เคยกินเหล้านะนะแต่ก่อนพ่ อ, อพ่อใหญ่เนี่ยเป็นคนใส่เหล้ากินตลอดนะแต่ก่อนพอลพอลูกชายท่านบวชเข้ามาแล้วหลวงพ่อทูลมาเทศเอาก็เลยเข้าวัดแล้วก็ไม่ได้กินลาบเลือดปลาดิบปลาอะไรแต่พ่อสอศนห้ามอันนี้แหละหลวงพ่อจังว่า พ่อแม่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิพาเข้าวัดแต่เล็กแต่น้อยมาเลยอันนี้ก็ดีมาอันนี้แหล ะ, ะเราเกิดขึ้นมาเราก็เรียกว่าพ่อแม่พาเข้าวัดถ้าเราบวชอยู่วัดบ้านเราก็จะกินลาบเลือดกินเหล้ากินข้าวเย็นเหมือนกับองค์อื่นๆเขาหน่าแหละเพราะวัดบ้านแถวหลวงพ่อน่ะเขากินแบบนั้นพระวัดบ้านซื้อเล่ห์นะ หลวงพ่อไปสวดมนต์นะเมื่อตะกี้เนี่ยไปบ้านทางทางอำเภ อ, อแถวสงขามนะอะบ้าน อ, อำเภอบ้านม่วงไปอำเภอบ้านม่วงสารข้าวอยู่นั่นอ่ะครูบาองค์ที่นั่งติดกับพระมหานิกายพระมหานิกายเขาชวนว่าวันนี้ไปซิดเดียตที่นั่นนะเออเอารถออกมารับผมด้วยน ะ, ะเขาเขาบอกกันนะ อันนี้แหะวัดบ้านเป็นแบบนั้นถ้าหน้านี้เขาไปซีดเบ็ดกันแถวสงฆามพร ะ, ะบ้านที่ว่าน่ะเขาไปซีดเบ็ดกันที่อําเภอบ้านม่วงอเขาสวดอะไรก็ไม่ได้อเขาบวชมาไม่รู้อะไรเลยล่ ะ, ะบวชทํานองนี้แต่เราเนี่ยดีแล้วที่เราได้มาบวชกับหลวงปู่บุญจันทร์ถ้าไม่มีหลวงปู่บุญจันทร์ก็ไม่มีเราวันนี้มันคิดทํานองนี้มันเห็นคุณของหลวง คุณของพ่อคุณของแม่คุณของแม่ขึ้นก่อนนะคุณของแม่พรรณาคุณแม่เสร็จแล้วพรรณาคุณพ่ อ, อพ่อก็ทํางานหนักตาแดดตากฝนทั้งวันตอนกลางคืนมาต้องไปตักก้านเฉียดไปใต้ปลาใต้อะไรกลัวที่ว่าใส่เบ็ดใส่อะไรมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกลัวที่จะได้พักผ่อนแต่ละวันตื่นขึ้นมาแต่ตีสี่ตีห้าก็ออกไปไถนาทํานาเกี่ยวข้าวอะไรต่างๆมันพรรณาไปทํานองนี้ ทำงานหนักช่วยกันทั้งพ่อทั้งแม่ก็มีบุญคุณช่วยเลี้ยงให้เราโตขึ้นมาอันนี้ดีเรายังมีเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเราไม่ได้กินเหล้าเราไม่กินดิบกินอะไระลวงพ่อเคยที่ว่าไปญาติไปบ้านญาติพี่น้องเขาทำบุญเขาล่มวัวล่มควายแบบะนะี้พระก็ไปสันเพนมีแต่แดงๆทั้งนั้นแหละลาบเลือด โซเล่ลาบเลือดทั้งนั้นแหละหลวงพ่อก็คิดนะในช่วงนั้นนะยังไม่บวชนยังไม่ได้บวชเอพระพวกนี้มันไม่มีศีลเท่าเรานะพวกนี้เราไดหลวงพ่อไม่เรียกพระดอกพวกนี้มันไม่มีศีลเท่ากูนะกูยังมีศีลกลัวพวกนี้นะพวกนี้ห่มผ้าเหลืองเฉยๆหลวงพ่อถึงขนาดนั้นนะมันมีทิฏฐิมานะมันว่าในช่วงว่าตัวเองไม่ทานเนื้อดิบไม่กินเหล้านะ่ะ แต่พระกลุ่มนี่มันกินลาบเลือดมันบอกว่าแบบนี้ ม, นมันตำหนิพระวัดบ้านในช่วงนั้นแต่ที่เราได้มาเข้ามาบวชในสายวัดป่าแต่ก็ดีได้มาอยู่กับหลวงปู่ถ้าไม่มีหลวงปู่ทักเอาอมันก็ไม่มีวันนี้อันนี้แหละที่เราที่ว่าเกิดความรู้ความเห็นที่ว่าเข้นคุณกูบาอาจารย์ คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พลนาคุณหลวงปู่ป่านะหลวงปู่บุญจันทร์เนี่ยคุณของท่านหลวงพ่อเห็นในขณะนั้นเลยเนะเห็นคุณหลวงปู่บุญจันทร์เหมือนกับท่านเป็นท่านเพียรผู้มีเมตตาเดินผ่านบอ่อน้ามาเราเป็นกบเป็นเขียดเป็นลูกกบลูกเขียดอยู่ในบอ่ออยู่ในบอ่อน้าหลวงปู่ท่านเมตตาท่านเอาตะขอเนี่ยลงไปตักเอา เอาตะก้าไปตักเอาอ่าลูกเขียดบางตัวมันดำน้ําลงไปเลยมันไม่ได้สนใจจะขึ้นตะก้าแต่บางตัวมันก็ขึ้นตะก้าด้วยกันขึ้นตะก้าแล้วก็หลวงปู่ก็เห็นมันขึ้นตะก้าแล้วก็พยายามดึงค่อยๆขึ้นมาเบาๆนั่นแหละไม่อยากให้มันกระเทือนก็ค่อยดึงขึ้นมาค่อยดึงขึ้นมาแต่เขียดบางตัวเนี่ยลูกเขียดบางตัวเนี่ยมันอ่ามันก็ยังห่วงน้ําอยู่นะกระโดดกลับไป ตัวที่มันกระโดดกลับไปเนี่ยถ้าอุปมาก็เหมือนไอทิศไอเสียงไอจารย์ที่ไปสึกออกไปนะมันเป็นธรรมนองนั้นไอ้ลูกเขียดตัวที่มันขึ้นบนบกได้เนี่ยก็เหมือนที่ว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ได้ไปรอดนะถ้ามันได้ขึ้นมาถึงปากบ่อแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนเราเนึกว่าความสุขนี่มีอยู่ในโลกในโลกมีอะไรความสุขกามจินเกียรต พวกเราติดอยู่ในกามจินเกียรหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงอยู่ในกามจินเกียรไปมีอะไรมาก็ช่างจะมาบำรุงกามก็ที่ว่าหายศถาบรรดาศักดิ์มีเกียรติมียศขึ้นมาก็มาบำรุงกามมนุษย์ส่วนมากเป็นแบบนั้นอันนี้ละ่ะร้อยละ99้าคนประเภทนั้นน ะ, ะมันไม่มากหรอกให้เราคิดเอาแค่นั้นพวกเรานี่จะเป็นประเภทไหน ประเภทจะยอมที่ว so ่าเกาะเกาะเนี้ยวเนียวอย่าไปปล่อยเกาะเนี้ยวเนียวอย่าปล่อยอย่าปล่อยดูตั้งสติดูไปเรื่อยๆกําหนดดูกายของเราไปเรื่อยๆสู้สู้กับทุกขเวทนาสู้ไปเรื่อยๆอันนี้คําสอนของครูบาอาจารย์ท่านให้อดทนขันติปรมังตโปตีติฆะนะนะความอดกั้นคือความทนมีความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง นิพพานังประมังวรรันติพุท ธ, ธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพณนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งนาหิปปะปิโตปารูปคาติผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ซื้อว่าสมณะเลยสัปปปาปัสสะาการาังความไม่ทำบาทัท้งปวงกุศลสู้ปะสัมปดาขอให้สร้างกุศลผลบุญให้ถึงพร้อมสากิตตะปาริยดัปปนังขอให้ทำจิตของเรานีให้ผ่องแผ้ว อันนี้แหละจิตจะพองแผ่วได้ก็ต้องมีขันติมีสติมีความอดทนนะถ้าเราไม่มีความอดทนเราไม่เลยเวทนาจิตของเราจะพองแผ่ายากอันนี้แหละให้ญาติโยมทุกคนเราเวียนว่ายตายเกิดมานี่ที่ว่าบางทีเกิดเป็นเสลยศึกหรือว่าเป็นคนล่ำคนรวยในยุค ก, ก่อนๆ น, นะเวลาเขาชนะสงครามแล้วเนี่ยเขาไปมัดพวกเศรษฐี พวกคนรวยๆเนี่ยเขามัดติดต้นไม้ไว้ผูกติดเสาเรือนไว้แล้วเขาก็ก่อไฟก่อไฟลนมึงฝังทรัพย์ไว้ที่ไหนมึงฝังเงินฝังทองไปที่ไหนเอาดาบขีดหน้าด้วย เ, เลือดก็ไหลออกมาไม่ยอมบอกอไม่ยอมบอก เ, อเวลาไม่ยอมบอกเขาก็เอาไฟลุกขึ้นแรงๆเอาไฟเข้าใกล้ๆให้มันลนเลยเคนบางคนก็อดจนตาย บางคนก็คิดถึงลูกถึงหลานว่าตัวเองบอกลูกบอกหลานไว้แล้วเคยฝังเงินฝังทองไว้ก็อดทนไปจนตายเนี่ยเราตายมาแบบนี้แหละาตายแบบนั้ น, นทรมานยิ่งกว่าเรานั่งภาวนานะอ่ะอันนี้พวกเราเคยตายมาแบบแบบนั้ น, นทุกขเวทนาที่ว่าอดน้ําตายอดข้าวตายมานี่หลายเที่ยวมาแล้วแต่ละคนละคนที่เราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกเขาขันคอฆ่าเขาปาดคอเข า, ข า, ข า, ขา ตีหัวทุบหัวต้มกินเนี่ยเขาเทียหนังมาลาบมาก้อยกินเนี่ยหลายพบหลายทราบมาแล้วมันเจ็บปวดกว่าเรานั่งภาวนานะให้เราคิดเอาที่ว่าเอาแบบนั่นแหละมาใส่ที่ว่าผลกรรมที่เราเคยสร้างมาอันนี้กรรมดีที่เรามาเกิดเป็นคนแล้วเรามีสติปัญญาพอที่จะเลยลู่ทาเห็นทาก็ขอให้เราเล่งเอาแม่พระองค์พระาศาสดาสามมาสามเทเจ้าท่านก็ทาอยู่นั่นน่ะ ที่ว่าอดข้าว49วันนะพวกเราเคยไหมล่ะอันนี้เอาเปรียบเอาลัดเกินไปพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นองคศาสดาของพวกเราท่านอดสา ท, ที่ว่าพยายามฝึกหาจนกลัวได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดสรู้เนี่ยสลบไปตั้งหลายครั้งเนี่ยล่ะอดข้าวอดน้ำสารพัดที่ว่ากลัวจะได้ทําผิดผิดอยู่นั่นหกปีนั่นแหละจึงถูก เวลาท่านทําถูกท่านก็มาดูลมหายใจเข้าออกอันนี้จมูกของเราก็มีเหมือนกันกับท่านเราก็เรียกว่าตั้งสติดูลมหายใจนั่นแหละลมหายใจเข้าออกเข้าออกนะ่นพยายามเรียกว่าลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าลมหมดถ้าลมหมดก็อย่าไปกลัวตายอย่าไปลืนตาอย่าไปขยับตัวทุกขนาดนั้นก็ช่างที่เราตกอเวกีน่ะมันทุกกว่านี้เดี๋ยวนี้เนี่ยยังไม่ได้เสี่ยวนากหรอกที่เราเจ็บปวดเดี๋ยวนี้ ศพที่เขาที่ว่าไฟลุกขึ้นเผาน่ยมันร้อนกว่านี่อีกนะเดี๋ยวนี้เรายังไม่เปลื่อยยังไม่ถูกไฟลนเลยนะเ่ยมันก็ที่ว่าความปากฏอันที่มันร้อนมันลนน่ยมายาของกิเลสมันหลอกลวงเราอันนี้เราอย่าไปเชื่อมันอันนี้แหละความดิ้นลนความที่ว่าที่เราที่ว่ามันที่ว่าทําไปไม่ไม่เห็นอัจเขียนธทำมมันก็มาติดที่นี่แหละมันติดทุก เรามายึดเรายึดเนี่ยถ้าเราปล่อยวางแล้วนะมันไม่มีมันไม่มีตัวมีตนมันสบายนะมันไม่มีตัวมีตนมันสบายมันไม่มีเวทนาเวทนาไม่มีกายไม่มีเวทนาไม่มีนั่นแหละมันมีแต่ตัวลูกนั่นแหละแต่ตัวลู้เนี่ยมันสอนตัวเองมันเกิดความอัศจรรย์มันเกิดเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์มันเห็นทำนองนี่ในที่สุดมันก็พัลนา พรนธนาหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนไปคุณครูบาจารย์เหล่านี้ถ้าไม่มีครูบาจารย์เหล่านี้เราก็จะไม่ได้รู้ได้เห็นพระสัทธาธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ อ, พอพพัรณนาไปทํานองนี้แหละพุดขึ้นมาเลยมันถ้าไม่มีองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาจารย์จะมาจากที่ไหนกันองค์พระศาสดามายืนต่างงานอยู่หน้าหลวงพอ่อเม็ดเดียวอ่า หลวงพ่อกราบหลยในขณะนั้นไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนเอานามทํากราบหลวงพ่อจังว่ากราบทั้งกราบทั้งร้องให้เกิดความที่ว่าดีใจมากที่สุดนั่นแหะทั้งกราบทั้งการอัศจรรย์ทั้งดีใจขนพองสยองก้าวเออพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วนะ่ะตั้งสอง0ันกว่าปีวันนี้เรามีโอกาสได้กราบองค์ท่านสดๆดร้อนๆเลยนันมันเห็นแบบนั้น อ, อ, องค์สวยที่สุดเป็นรูปหลอ่อเหลาที่สุดเลย โอ่งพระพุทธเจ้าทั้งทั้งว่าเกิดขนลุกเลยน ะ, ะทั้งกาบทั้งร้องให้อันนี้แหละกราบแล้วกาบเอาถึงอกถึงใจนั่นนะกาบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าหายแวบไปพอพระพุทธพระพุทธองค์หายแวบไปแล้วเนี่ยผืนแผ่ น, นดินเนี่ยเหมือนกับขอบประเทศไทยเลยลาวพามา่าลาวพามา่าเขมรไปเลยเหมือนขอบประเทศไทยสายตาสายใจตาใจของหลวงพ่อเนี่ยมันมองเห็นได้ว่า ขอบประเทศไทยเนี่ยริมประเทศคาเมนน์นั่นอ่อายแดนนั่นก็มองเห็นกระดูกเต็มเกลื่อนไปหมดอ่าแถวตัวเราอยู่นี่กระดูกท่อนเล็กท่อนใหญ่เต็มไปหมดพื้นแผ่นดินประเทศไทยนี่เต็มไปด้วยล่างกระดูกจิตมันก็ถามตัวผู้ลูกอ่มันก็อ้าวกระดูกของใครที่เต็มเกื่อนอยู่นี่ตัวผู้ลูกตอบว่าอ่ากระดูกที่มองเห็นทั้งหมดนี่เป็นกระดูกของเราทั้งหมด ที่เรามาเวียนไหวาตายเกิดเป็นสัตว์หลายล้านเที่ยวที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่หลายแสนเที่ยวอ้าวท่อนยาวๆใหญ่ๆนี่ของใครอ้าวแปดหมืนปีก็ เ, เกิดกับก็เคยเกิดกับเขาตอบขึ้นมาทํานองนี้ก็ดีใหญ่นะเออเราเนี่ยเกิดอายุแปดหมืนปีเราก็เคยเกิดอ่าแสนปีเราก็เคยเกิดเจ็ดหมืนปีหกหมืนปีที่เรามาเวียนไหวาตายเกิดเป็นวัตถุทุกเป็นวัตถุนเนี่ย โอ้โหแต่เรามาเกิดชาติเดียวเนี่ยอายุเพิ่งจะยี่อสอิบสามปีพศ22ยีสได้ยีสามปีนะอายุ เ, าเกิด 99, เก้าเก้าเกิดพศ .99 าาก้าามันก็อายุเราเพิ่งจะได้ยี่สามปีมันก็ทุก์ถึงขนาดนี้ที่เรามาเวียนว่าตายเกิดลอยกระแสะโลกเกิดเนี่ยมันเป็นวัตรทุกข์เป็นวัตรวนนั่นแหละมันจึงประเมินประเมินว่าพบสาตที่ตัวเองมาลอยกระแสะโลกเกิดมันเกิดความเบื่อหน่าย เกิดความเบื่อหน่ายเราไม่อยากมาเกิดอีกแล้วพบชาติขอหยุดเกิดเชิญเธอมันอยากทํานองนี้มันอุบมาเหมือนกับเด็กอ่าเหมือนกับเด็กเนี่ยใจของเราในขณะที่มันเกิดมันเป็นแบบนั้นนะเหมือนกับเด็กไปเล่นน้ำอ่าเด็กอายุ6 7ปี10ปีเนี่ยมันชอบเล่นน้ําลอยน้ําเล่ น, เ ล, นเล่นน้ําน้ําแข่งน้ําอะไรขึ้นทํำนองนี้มันก็ไปกลางดางังไปใส่เบ็ดเล่นน้ํากระโดดสะพานทำนองนี้ เด็กมันเล่นน้ําแต่วันดีคืนเดีมันมีจระเข้มันลอยขึ้นมาเด็กมันเห็นจระเข้นั่นแหละไม่ได้บอกยากหรอกมันวิ่งขึ้นน้ําเลยมันขึ้นบกเลยอันนี้แหละเหมือนกันถ้าใครได้รู้ทำเห็นทรมันจะกลัวเลยมันไม่อยากลงน้ําอีกน้ําอะไรน้ํากามน้ํากรามกินเกียดติแต่ก่อนมันอยากลงมันอยากเล่นมันไม่อยากหนีมันห่วง ติดอยู่ในกลามจินเกียรติแต่เวลามันเกิดความรู้ความเห็นเกิดขึ้นมาทํานองนี้มันก็เกิดขึ้นว่าจิตใจของเรามันท่อแท้เห็นว่าภพชาติที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏทุกข์วัฏวนเพราะว่าหลายล้านเที่ยวไม่สมหวังเกิดมาเจ๋มาเก็บมาตายเนี่ยมันเห็นทานองนี้อันนี้แหละญาติโยมทุกคนอย่าคิดว่ามรรคผลนิพพานมันเลยมันมันสุดเอื้อมอย่าไปคิดแบบนี้ มันอยู่พอที่ว่าจะรู้จะได้เห็นในซาสนี่พบนี้ก็ว่าเร่งเอาอย่าไปคิดว่าเป็นของเหลือวิสัยอันนี้แหละให้รีบเร่งเอาตัวใครตัวมันสติปัญญาของเราในครั้งแรกมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละมันก็ที่ว่ามันก็หลงคิดปรุงแต่งไปเรื่องโน้นเรื่องนี้อย่างหลวงพ่อก็คิดไปแบบเป็นหน้าละอายแบบนั้นแหะคิดไปเอาสาวนักเรียนของหลวงพอ่อ ทั้งๆที่ว่าไปบินทบาทนะแต่มันคิดเอาสาวนักเรียนได้นั่นแหละมันไม่มีสิ่งที่จะกางกันน ะ, ะความคิดความเนืกมันคิดไปได้หมดมันไม่มีกุญแจใส่ไว้ประเภทว่าเนี่ยมันคิดไปทำนองนี่แหละอันนี้แหละเราเวียนหวาตายเกิดมานี่มันเป็นสัตว์มากกว่ามนุษย์เนี่ยแต่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็หลายล้านเที่ยวหลายแสนเที่ยวเป็นสัตว์เนี่ยเวียนหตายเกิด ไม่สมหวังกฎหมายคุ้มครองก็ไม่ค่อยมีเขาเก็บเขาจับไปฆ่าเขาเอาอเอาหลาเอาอะไรไปยิงเอาปืนไปยิงเอาหลาไปแทงเอาเอามากินถ้าเกิดเป็นปลาอยู่ในน้ำเขาก็ลากเอาอวนไปลากเอาปลาโลมาปลาสลามตัวใหญ่ๆเขาก็ไปลากมาไปเอาอเอาปลาวานปลาอะไรไปเอาน้ำมันเอาอะไรมาทียทำเทีทนยทนไขทำนนนี้ อันนี้แหละถึงใจะใหญ่แค่ไหนก็สั่งมนุษย์เนี่ยกินกันอยู่แบบนี้อ่านี่แหละจิตวิญญาณของพวกเราที่เราเล่ร่อนเวียนไหวตายเกิดมันเป็นวัตจทุกข์อ่ามันถ้ามันเกิดตัวนี้มันคําว่าวัตจทุกข์เนี่ยมันเกิดมาเองนะอ่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีหรอกที่ว่าท่านไม่เขียนไว้หรอกว่าวัตจทุกข์วัตจวนแต่ของหลวงพ่อมันขึ้นมาในขณะ น, นั้นล่ะที่มันเห็นว่าภพชาติที่เรามาเวียนไหวตายเกิดเป็นวัตจทุกข์เป็นวัตจ ว, วนอ่า ทุกแบบนี้เราจะมาเกิดอีกทําไมเนี่ยมันให้มันเกิดอย่นี้ก็ฝึกพยายามที่ว่าสั่งสอนตัวเองพยายามตะล่อมความรู้ความเห็นให้มันมาอยู่ที่ว่าภายในกายของตัวเองอ่าเราที่ว่าราคะตัณหามันเกิดขึ้นจากกายจากใจของเราเวลาเราจะดับมันก็ที่ว่าความรู้ที่ว่ า, ว า, ม, วามันจะมาดับตัวนี้มันก็อยู่ที่กายของเราเหมือนกันอันนี้แหละพยายามที่ว่า ต่างคนก็ต่างมีอ่ามันมีเหมือนกันอ่าเหมือนเหมือนกันนั่นแหละมากน้อยต่างกันแค่นั้นอันนี้ให้พวกเราพยายามที่ว่าสอนตัวเองให้จิตของเราได้เกิดความเบื่อหนายนะถ้าเราเกิดความเบื่อหนายแล้วอ่ามันก็ทือว่าไม่อยากมาเกิดอีกนะเราอยากจะที่ว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่โ อ, อ้เงินเราทองเราอันนี้ลูกเราหัวเราอ่าพรรยาเรา ที่ดินเราโสนดที่ดินเรารถของเราบริษัทเราบริวารเร า, รเราอันนี้ประเทศเราหึงหวงเหราเนี้ยแหละมนุษย์เราจึงฆ่ากันโลกนี้มัน อ, อีกไม่นานนะหลวงพ่อคิดว่านะอีกไม่นานเท่าไหร่เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเขาจะกดชี้ปณาวุธเข้ามาใส่กันนะสหรัฐเกาหลีเหนือจีนฝรั่งเศสโซเวียตรัสเซียอันนี้ ที่เขามีอาคีปนาวุธอินเดียแล้วเนีเขาจะกดใ่กันแต่เกาหลีเหนือนี่เขาเป็นคนใจร้อนเขาจะเอาก่อนเพื่อนอถ้าเขายิงกันหรอเขากดชี้ปนาวุธใส่กันประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ยิงกับเขาเหรอกตายพร้อมกันเลยเพราะอากาศเป็นพิษลมหายใจอากาศทั้งหมดมันเป็นพิษพอเราหายใจเข้าเนี่ยไม่ว่าสัตว บุคคลที่ไหนก็ช่างหายใจเข้าไปปอดเปื่อยไปเลยเครื่องในของเราเปื่อยเป็นตายไปพร้อมๆกันไม่มีใครเผาใครไม่มีใครฝังใครตายพร้อมๆกันทั้งสัตว์ทั้งคนนี่แหละต่อไปโลกก็จะค่อยเกิดเป็นป่าเป็นดงขึ้นมาอีกอซากศพแต่เมืองกรุงเทพเมืองที่ว่าตึกลานบ้านช่องตึกใหญ่ๆโตๆก็จะเป็นวัตถุโบราณในยุค ข, ข้างหน้าต่อไปเนี่ย โลกของเรามันไม่อยู่อ ย, อยู่กับที่จเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมแต่สมัยก่อนเนี่ยในสมัยก่อนๆในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธกาลในเมืองสาวัตถีเนี่ยในช่วงพระพุทธเจ้าถามนางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยถึงจะเป็นพระโสดาบันแล้วก็ช่างเวลาหลานสาวเขาตายเขาก็ร้องให้ร้องให้เข้าไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ถามวิสาขาเธอลองให้เพรา ะ, ะหลานสาวอของท่านตายของเธอตายถ้าคนเมืองสาวัตถีเนี่ยตายมากๆาเมืองสาวัตถีเนี่ยคนมีเท่าไหร่ประชาชนมีเท่าไหร่มีประมาณ20สบล้านจังหวัดขอนแก่นแบบนี้ล้านกว่าคนน ะ, อะสองล้านใหญ่ามากนะสองล้าน อุดรขอนจียนเนี่ยสารคามเนี่ยคงไม่ถึงล้านนะนะจังหวัดนะแต่เมืองสาวัตถีในช่วงนางวิสาขาพุทธเจ้าอยู่นั้นมีคนเป็นประมาณยี่สิบล้านนั่นแหละทุกวันนี้ที่ที่ทเราไปกราบไปไหว้ไม่เป็นหมู่บ้านด้วยเป็นป่าเป็นป่าเป็นโดงเป็นไล่เป็นนาเขาทํานองนี้แต่ก่อนมันเคยเป็นบ้านเป็นเมืองนั่น มันก็มาทำนองนี้แหละหลายล้านปีมันก็เปลี่ยนไปแม่น้ำอ่ามันก็ไหลเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ามันกัดฝั่งหนึ่งออกไปฝั่งหนึ่งก็สูงขึ้นทำนองนี้มันไม่ได้อยู่กับที่ที่ไหนก็ช่างภูเขาแบบนี้อ่าภูเขาแต่สมัยก่อนอ่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภูเขาอ่าแถวอ่าเมืองกรุงราชสักข์เนี่ยอ่าภูเขาล้อมรอบเมืองกรุงราชสักข์เนี่ย แต่ก่อนเนี่ยเดินขึ้นแต่สมัยก่อนเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยเดินขึ้นหกวันกลัวจะถึงหลังเขาเนี่ยทุกวันนี้เราไปกราบที่พร ะ, ะที่พระคันทักกุฎีของพระพุทธเจ้านะ่เดินขึ้นไปชั่วโมงเดียวอันนี้แหละแต่ก่อนเดินขึ้นหกวันหกวันจึงจะถึงในช่วงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆคนคนใหญ่ด้วยนะคนเป็นคนที่ว่า ขาแขนใหญ่อันนี้แหละกระดูกหลวงพ่อที่หลวงพ่อเห็นที่ว่าแปดหมืนปีนะ่ะกระดูกท่อนเดียวนี่สามเมตรกว่านะท่อนกับเอ่อเท่าต้นปาล์มท่อนความใหญ่มันเท่ากับต้นปาล์มความยาวสามเมตรกว่าอันนี้แหละคนโบราณคนที่ในยุค ก, ก่อนๆที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดเราไม่ได้เกิดแค่นี้เวลาบางครัง้งบางสมัยเนี่ยจเจริญ ก, ก, กว่านี้เจริญมากกว่าเรานี้อีกนั่นน่ะ เอาอะไรเป็นพยานมีนะแอบพยานหลวงพ่อกลับจากอินเดียก็เลยไปไปเที่ยวไปดูเมืองคามนแอบนครวัดไปเที่ยวดูนครวัดนครธมกับคูบากบคูบาอันนั้นอันจานั่นแหละไปไปเที่ยวเมื่องตะกี้เนี่ยปีที่แล้วมานีปีนี่แหละไปเที่ยวดูคูบาอู่เนี่ย เอาช่างเอาช่างแกะสลักหินไปด้วยสั่างแกะสลักไปเห็นฝีมือของเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเจริญกลัวทุกวันนี้เขาสร้างนาคอนวัดน่ะเครื่องมือทุกวันนี้เนี่ยทำละเอียดแบบนั้นไม่ได้ยังไม่มีเครื่องมือจะทำละเอียดแบบนั้นได้จะไปทำลายทาเขาแกะสลักเล็กๆนะ่ะเป็นลายเล็กๆน่ะแบบละเอียดแบบอ่ นครวัดเนี่ยทุกวันนี่เราทํายังไม่ได้เครื่องมือเรายังไม่ดีเครื่องตัด tered, ช่างช่างคนนี้เขาบอกว่าแต่ก่อนก็เคยมีไฟฟ้าถ้าไม่มีไฟฟ้า น, นี่ตัดหินเหล่านี้ไม่ได้เขาบอกว่าแต่แต่สมัยที่เขาสร้างนี่จเจริญกว่าทุกวันนี้นั่นอันนี้ช่างหินไปดูนะอัะนคอนครวัดนะอันนี้แหละปีนี้แหละไ ด, ได้ไปดูนครวัดเที่ยวที่สองเที่ยวที่สอ ง, สองไปดู อันนี้แหะอ่ามันก็เป็นแบบนี้แหละเราคิดว่าสมัยนี้เราจะเิญไม่ใช่อ่าเดี๋ยวนี้คนมากแต่60 70ปีย้อนหลังเนี่ยประเทศไทยมีประชากรแค่20ล้าน30ล้านแต่เดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นมา60ล้านหกสกว่าล้านทํานองนี้แหมมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จ ะ, จะเจริญไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะเสือ่อมเพราะมนุษย์ฆ่ากันเขามี วิชาความรู้เข า, าพวกวิจัยพวกนักวิทยาศาสตร์คน้นคว้าแต่มันคนที่มันจัญไรนะมันก็ค้นคว้าเอาอาวุธเอาเคมีมาฆ่ามนุษย์มันอยากใหญ่ที่สุดในโลกเขาอยากเป็นคนที่โตในโลกอยากเป็นประเทศลาบที่ว่าในทั่วโลกนี่ขึ้นต่อเขาเนะี่ยเขาคิดแบบนี้อันนี้แหละโลกของเราเป็นอยู่แบบนี้โลกมนุษย์ของเราเนี่ยสร้างให้มันจเจริญ แต่มนุษย์ที่เขาจเจริญนั่นแหละเขาจะทําลายเนี่ยมันเป็นอยู่แต่นี่ที่เราเล่ล่อนเวียนไหวตายเกิดเป็นทุกมาแบบนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยแหละคิดทบทวนเข้ามาที่ว่าดูกายดูใจของเราที่ว่าเราคิดอยากล่ําอยากรวยเนี่ยเราทํามานี่แต่เกิดมานี่ลูกเกิดขึ้นมาเนี่ยอยากล่ําอยากรวยมาแล้วก็พยายามทํามานี่ถึงขนาดนี้มันก็ยังที่ว่าบกพร่องอยู่ เรายังพ่องอยู่ยังไม่พ อ, อถึงจะมีเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังไม่พออยากรวยไปอีกเนี่ยมันทํานองนี้เกิดขึ้นมานี่มันไม่พอสักทีอันนี้แหละโลกยังพร่องอยู่โลกพวกเรามันยังบกพร่องนี่แหะเราเวียนว่ายตายเกิดเราไม่พอสักทีแต่โลกนี่มันไม่ได้อยู่กับที่แล้วเวลาเรารวยขึ้นมาแล้ว มันก็เกิดที่ว่าสงครามเขาก็มายึดเอาทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นของประเทศอื่นไปอย่างกรุงศรีอยุธยาถูกพมา่าเอาไปแต่อย่าไปเสียดายนะพะมา่าเขาไปทั้งหมดเนี่เดี๋ยวนี้เขาไปที่ไหนทองอ่าทองเนี่ยเขาไปติดพระศากยมุนีไว้เยอะอ่าหลวงพ่อไปดูอ่าไปเห็นแล้วอ่าไปอยู่พระธาตุเสดสเวดากองก็เยอะทองที่พวกเราเอาไปเนี่ย พม่าเขาก็เอาไปประดับประดาะบูชาคุณพระพุทธเจ้าหมดแล้วทุกวันนี้ประเทศพม่าเนี่ยเขาโจนกว่าประเทศเรา อ, อันนี้แหละผลกรรมที่เขามาเผาบ้านเผาเมืองอันนี้แหละเขาก็เลยมาเป็นคนเป็นคนชชยของประเทศเราเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างเขาอดๆ อ, อ, อยา่างๆนั่นแหละอันนี้แหละแต่ก่อนเขาก็ี่วชนะประเทศไทยในกรุงศรีอยุธยา มันก็ผัดกันอยู่ไปเนหี้ล่ะสนะแล้วก็แพ้แพ้แลักษณะคือคนที่เราที่เรามาเกิดเนี่ยถ้าคนที่แพ้เนี่ยก็มีความอาฆาตคนที่เราเคยฆ่าเขา่คนที่มีอํานาจฆ่าคนที่เขาไม่มีอํานาจคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเออเออซาดก่อนขอให้เรานี่ได้ฆ่ามึงกลับคืนขอให้ดเราฆ่าล่างโคดมึงเขาก็อาปาถนาไว้แบบนั้น ะสะอาดล้างมาเขาก็เป็นผู้มีอำนาจกลัวเขาก็ฆ่าอีกกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้แหละตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วก็เอาเปรียบเอารัดกันอยู่แบบนี้ที่เรามาเวียนไหวตายเกิดมันไม่สมหวังมันผิดหวังถึงจะรวยที่สุดที่สุดในที่สุดแล้วะจะรวยที่สุดในที่สุดมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายเนี่ยหลวงพ่อจึงว่ามันผิดหวังนี่แหละ ไม่อยากจะตายจากลูกจากหลานลูกหลานก็พยายามจะเอาพ่อเอาแม่เอาปู่เอาย่าไปรักษาหาหมอที่ไหนดีก็พยายามรักษาแต่ก็ไม่หายผลสุดท้ายพ่อแม่ของหมอก็ตายหมอก็ตายนั่นให้เราคิดดูนั่นให้พวกเราคิดดูนะอันนี้วันนี้หลวงพ่อก็พูดมาก็กินเวลาพอสมควรดึกพอสมควร แล้วก็ขอให้ท่พวกญาติโยมทุกคนจงตั้งสติปัญญาของพวกเราให้พยายามฝึกฝนฝึกหัดอบรมให้จิตของเราได้รู้รมเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเพิน